จเจริญพรญาติโยมผู้มีความสนใจในการปฏิบัติธรรมทั้งหลายครั้งนี้เป็นครั้งที่สามก็ขอให้ทุกท่านตั้งอกใจ ต, ตั้งใจฟังจากคืนที่แล้วมาเรื่องมันก็ยังไม่จบก็คือเรื่องฝน ที่เป็นจริงก็ทีนี้ได้กล่าวในเรื่องของประเด็จพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสหลวงพ่อพูดอย่างนี้ถ้านอาจจะคิดว่าหลวงพ่อก็ชนะท่านอาจารย์พุทธทาสมากเกินไปจึงท่านคิดอย่างนั้นมันก็เป็นความจริงก็เพราะว่า ขนาดรางวัลยูเนสโกเขาก็ยังยกย่องแล้วเขาให้รางวัลฉะนั้นถ้าท่านคิดอย่างนั้นก็ถูกต้องแล้วทีนี้เมื่อคืนก็ได้กล่าวในเรื่องที่ว่ามาเยี่ยมท่านตอนที่ท่านป่วยนะ เือตามปกติเจ้าชื่อสิ โ, โรสเว่ายอมจะริยาจ่ายท่านก็ไปบ่อยๆท่้นก็แต่นี้บนท่านมาเชียงใหม่อยากจะให้ท่านมาอยู่เชียงใหม่จำปัญหาเชียงใหม่แต่ท่านทำไม่ได้เพราะ ท่านทำทางโน้นมากๆจะหนีมาทางนี้ไม่ได้จีนี่ปีหนึ่งจกว่าท่านจะเว้นโู ว, วัดอุโมงเรยไปให้พระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสหาพระฤดีด่ดวนท่านก็เลยโทรเลขไปตอนนั้นมันพูดโทรศัพท์ไม่ได้ โทรศัพท์ยังไม่มีทานก็โทรเลขไปที่ประเทศมาเลเซียให้หลวงพ่อท่านอาจารย์พันยาท่านมาจำพรรษาที่วัดอุโมท่านก็รีบมาเพระท่านก็ไว้เนื้อเชื่อใจพระเด็จพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาส ก็เท่ากับว่าท่านเป็นศิษย์ลุ่นพี่เกลียวพ่อปัญญาเป็นศิษย์ลุ่นพี่อยู่กับท่านอาจารย์พุทธทาปีหนึ่งแต่ไม่ได้ไปเรียนแอนก็เลยบอกว่าน้องท่านไปเรียนบาลีเถอะถ้าอย่างจะเป็นนักพูดต้องไปเรียนบาลีก่อน ท่านก็เลยไปเรียนบาลีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเรียนบาลีเสร็จแล้วท่านก็ไปบรรยายตรงนั้นไปปตกาถาธรรมที่ตรงนี้กลายเป็นท่านมีชื่อเสียงแล้วท่านก็ต้องการที่จะให้ภาษาอังกฤษดีขึ้นดีขึ้นท่านก็เลยไปจำพรรษาที่วัด ในประเทศมาเลเซียทีนี้พอท่านกลับมาจากมาเลเซียก็มาอยู่วัดอุโมงได้สิบปีก็ทางกรมประชากลมจนประทานก็อนิมนต์ให้ไปพอมนักที่วัดจนประทานพเพราะก็สร้างวัดใหม่ท่านก็เลยทิ้งที่นี้ แล้วก็ให้ท่านเฉลิมท่านเฉลิมก็อยู่ทางอำเภอ ร, ระโนดจังหวัดสงขลาเหมือนกันมาอยู่ทำหน้าที่แทนแต่ก็ไม่เหมือนท่านเพราะท่านเฉลิมท่านทำแต่เฉพาะเรื่องหนังสือการพูดของท่านก็พูดธรรมะที่ไม่มีเหลี่ยมแปกว่าไม่ค่อยมีเหลี่ยมตรงไปอย่างนั้นแกว่า ไม่มีลูกเล่นเมื่อไม่มีลูกเล่นคนฟังก็เบื่อธรรมะธรรมะธรรมะธรรมะอย่างเดียวก็เบื่อนั่งงัวกันเป็นแถวจากพระบางรุ่นพูกธรรมะอย่างเดียวมันต้องนอกเรื่องบ้างนอกเรื่องกับวันนี้หนังสือพิมพ์โฆษณาเรื่องอะไร การ น, นี้เขาทำอะไรกันที่ไหนต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้น้าท่วมกรุงเทพเต็มไปหมดก็ไม่พูดอะไรก็ไม่พูดพูดแต่ธรรมะอย่างเดียวธรรมะทั้งภายนอกทั้งภายในนั่นแหละธรรมะทางนั้นเป็นธรรมะทางนั้นเพราะฉะนั้นการพูดมันมีหลายหลายระบบ แต่ว่าก็คือธรรมะธรรมนอ้าวทีนี้ปีหนึ่งเจ้าชื่นนี่บอสพระเดชพระคุณทนอาจารุตตท่านมารู้จักว่าจะเป็นฤดูหนาวแล้วก็มาท่านขึ้นไปไปทักที่ดอยอะไรข้างคนนั่นแหละ ตากออดท้องไส้ ต, ติ่แตกอาบลงกันมาอาบลงมันลงกันมาแล้วก็ผ่าตัดโดยที่ไม่ได้ใช้ ย, ยาแต่ก็ทนได้ท่านทนได้แต่ท่ า, ทาต้องผ่าตัดไส้ติง่งในสมัยนั้นก็ครั้งเดียวก็ไม่มีอะไรแล้ว อนี้ต่อมาต่อมาท่านก็มีอายุเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นท่านก็ไม่ค่อยที่จะแข็งแรงมากรว่าทํางานมากการทาทงานหนังสือของท่านไม่มีใครเท่าเลยในประเทศไทยนี้พระอื่นไม่มีทางไม่มีทางเลยหนังสือของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์กับท่าน ตั้งเขียนแล้วก็ตั้งใส่ในแผ่นเทปแผ่นเทปในสมัยไหนเราคิดดูสมัยโนสมัยที่เทปยังเป็นเส้อยู่เป็นเส้นกลมๆต่อมาก็มีเทปแบนๆพอเทปแบนๆต่อมาก็เครื่อง่โตขึ้นสมัยขึ้นัสมัยึ ให้ต่อมาอีกจะให้กระ ส, สิบจะมาถึงแบบ น, นี้แต่ท่านไม่ทัดซีดีออท่านัซีดีแต่ท่านไม่ได้ทำแล้วท่านไม่ได้ทำแล้วสมัยนั้นขอให้ลูกจิบทำตอนหลวงพ่อเองตอนแรกก็ทาเทปทาเทปแล้วก็ใส่สาวแก ตีละพัดตีละพัดตีละพัดทำเทบมาก่อพอทาเทปต่อไปทำซีดีพอทำซีดีทาไปทํามาก็พอแล้วให้โยนทำตีนได้ต้นฉบับแล้วก็โยนก็ทำนี่พอทำแล้วก็แจกไปแจกไปแจกไปทีนี้มันก็ทันสบายกว่าเมื่อก่อน ถ้มีการลงในเว้นไส้มากอะไรม้างมันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้ น, นอย่างนี้มันดีขึ้นตามมากเราจะขยายออกไปออกไปนี่ทำกันอยู่อย่างนี้อ้าวทีนี้ตอนที่ท่านป่วยงักเมื่อคืนงพ่อก็พูดว่าผู้ว่าราชการคนไปรวดปรมสารโทรรับมาบอกหลวงพ่อ ว่าท่านอาจารย์ป่วยหนักหลวงพ่อก็เลยสั่งว่าเอาพวกนี้ให้ลถมารับหลพ่อจ้ามืดตั้งแต่หกโมงหองพ่อก็มาเลยมาที่สวนโมกเลยพอบมาที่สวนโบกตอนนั้นเขาห้ามข้ามเยี่ยบห้ามเยี่ยมเพราะว่าท่านก็จําอะไรไม่ได้แล้ว พอหลองพ่อมาถึงลูกศิษย์ที่ดูแลท่านเพราะ่เป็นลูกศิษย์ลูกน้องทนั้นเขาบอกให้ข้ามาเถิดข้ามาเถิดข้าวมาเถิดหลพ่อมาถึงก็พอข้าไปถึงก็ไปกราบท่านกราบท่านท่านพูดยังไงท่านพูดว่าหมาเอียบเราจะตายแล้ว การโบดอากนั้นอาตมาก็รวมรวมแล้วก็รวบรวมกำลังตอนนั้นยังไม่เศร้าโศกไม่อะไรรวบรวมกำลังแล้วก็กล่าเปลี่ยนท่าว่าพระเดศพระกุณมีอายุมากแล้วถ้าพระเดศพระกุณเป็นอะไรไปกล่าวม่อยากที่จะเสีบทอด ตามความสามารถที่ทําได้เพราะฉะนั้นวันนี้หรือว่าในตอนนี้หลวงพ่อก็เสื่ทอดตามที่รับปากพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ปุตตะเอาไว้ให้หลวงพ่อจะทําให้สุดความสามารถตามให้สุดความสามารถ ถจะเจ็บไายได้ปวด ย, ยังไงได้ยังพูดได้หลงพ่อก็จะพูดจกจะพูดที่รีย ว, ว่าต้องเอาจิงกันอย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้เดิรับบาบท่านไว้สอยก่อนที่หลวงพ่อจะหลักใหนอนให้พระรวจดมดแผ่ เ, เมตตาเสร็จแล้วก็ขอ พลังจากพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระลังจากพระธรรมคือความสงบเย็นที่เป็นต้นกำเนิดของจักรวาลทุกๆจักรวาลและก็ความสงบเย็นคือพระลังแห่งความสงบเย็นในพระอารหันต์ทั้งหลายขอให้ความสิสทธิ์สติที่จิตใจของข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าก็จะได้ทำการเสืยทอดอายุพระพุทธศาสนาจ็กระทั่งว่าชีวิตนี้กดลหมหายใจแล้พ่อก็เลยทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ทำอย่างนี้อคิษฐานอย่างนี้ทุกงกระลั้นตุกงเกิก่อนหลับก่อนนอนนี่ทําอย่างนี้แม่หลนนงวงพ่อก็ไม่ผิดหวั ก็วพ่อเลยทำงานทำงานทำงานกลับไปจากนี้ก็ไปทำงานมีแต่ทำงานอย่างเดียวทำงานอย่างเดียวไม่ต้องพูดอย่างเดียวเรื่องอื่นไม่เอาแล้วเรื่องการต่ อ, อ, อสร้างอะไรอย่างนี้หลวงพ่อไม่เอาแล้วทิ้งไปหลายปีแล้วทำเรื่องนี้เรื่องเดียวแค่เหือเวลาดูตำรับตำรา เตรียมพร้อมตลอดเวลา เ, เรางเตรียมพร้อมตลอดเวลาแล้วเราก็ต้องดูว่าพุทธบริษัทหนักแน่จริงใจไหมถ้าไม่จริงใจเราก็พูดห ย, อดหยอดห่อยนหย่อนนอยหนึแต่นี้เว่าท่านที่อยู่เชียงใหมเดือยยากยอมที่เชียงใหม่ส่วนมากนี่แหละ จะมีความจริงใจแล้วก็นสนใจธรรมะ ก, กันมากวาวมากว่าจังหวัดอื่นๆดูแล้วมากกว่าจังหวัดอื่นๆเว้นกรุงเทพเท่านั้นเราะกรุงเทพมันก่อนมากแต่นอกนั้นทุกจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้ให้ดูที่หลวงพ่อมาไม่กี่วันกี่วัดโน้ ที่อิรักนูน่นที่มอจอนูน่นที่พันดาวนี้หลวงพ่อ ก, ก็สู้สู้อย่างเดียงยังไงยังไงหลองพ่อสู้สู้ทั้งนั้นเลยนี่เราก็ต้องทำงานต้องทำงานทำงานให้ใครทำงานใด้ยายโยทำงานให้พระพุทธศาสนาตัวเองจะอยู่จกกี่ปี จ้าหัวมันนะจ้าหัวมันอย่าไปคำหนึ่งมันทำไรแล้วตอนนี้เราได้ทำประโยชน์ให้ตัวเองได้ทำประโยชน์ให้ผู้อื่นทำไรแล้วนี้คือหน้าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าหน้าที่ของเราก็คือทำงานให้ตัวเองช่วยเหลือผู้อื่นมันก็มีเท่านี้หน้าที่ของเรามีเท่านี้ เราต้องทำหน้าที่ให้เต็มที่หลวงพ่อก็เลยจะต้องทำทาให้เต็มที่ใไรทำไม่ทำจุดเลิกแต่แต่หลวงพ่อทำหลวงพ่อจะทำนี่ที่ทำทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าธรรมจัดสรรธรรมจัดสรรทุกคนถ้าเราปฏิบัติธรรมธรรมจะจัดสรรเอง แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมะก็จัดสรรเหมือนกันจัดสรรให้เราไปไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีเช่นว่าเป็นการราชการผู้ใหญ่โกงก็มาโกงก็มาอยากจะเรื่องฉันเลื่อนเขาเอาเงินไปให้เขาพอเอาเงินไปให้เขาโดนโกงต่ออีก เห็นไหมโกมมาที่ก็โกมไปนี่คือธรรมะจัดสรรธรรมะจัดสรรธรรมนั้นแม้แต่โลกนี้โลกนี้จะยุ่งยากกันอยู่ได้สมัยนี้เพราะเรออาอาน้ำมันมาเผามากเกินไปโรงงานมากเกินไปมนุษย์มากเกินไปอะไ ร, รก็มากเกินไปคนทั้น กี่ล้านแล้วเจ็ดหมื่นล้านแนะล้วเจ็ดหมืนล้านทีนี้คนที่มีคุณภาพมีเท่าไหร่น้อยมากน้อยมากนี้มีแต่ทาลายกันทําลายทําลายทําลายทำลายพอทําลายแ ล, ย ล, ยลยก็ธรรมะจัดสรรทีนี้ธรรมะนี่จะจัดสรรเมื่อทําความชั่วก็ให้ลําบากให้ตกยากให้ลําบาก แต่คนที่ทำความดีธรรมะก็ไม่ให้เดือดร้อนถึงบ้านจะจมน้ำแต่ว่าจิตของเขายังเกใสจิตของเขาก็ยาอยู่กับการปฏิบัติธรรมไม่เดือดร้อนแก้ปัญหาได้แต่โดยส่วนมากลูกศิษย์หลวงพอ่อที่กรุงเทพนี่ไม่ท่วงน้าไม่ท่ว แต่ถ้าลูกศิษย์คนหน่อยปฏิบัติไม่จริงท่วมต่วมแน่ท่วมแน่ดังนั้นการปฏิบัติเราต้องจริงจังถ้าเราไม่จริงจังธรรมะก็จัดสรให้เราไม่ได้ธรรมะก็จัดสรให้เราต้องกรงไขในเรื่องของความทุกข์นี่คือเรื่องของความทุกข์เป็นอย่างนี้เนียเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นความทุกข์เมื่อวานหานึ่งวันของพก็พูดที่มอชอนั่นแหละเรื่องของความทุกข์เรื่องความทุกข์มันมีขึ้นม า, เ พ, าเพราะเราเข้าไปยึดถือเอาจิตมาเป็นตัวกูพอเอาจิตมาเป็นตัวกูเป็นยังไงจิตมันไม่มีตัวตนจริงๆ เพราะอะไรก็เพราะว่ามันไม่รู้อริยสัจเมื่อจิตนั้นไม่รู้อริยสัจมันก็ยึดมั่นถือมันยึดมั่นถือมันจิตเองนั่นแหละว่ามีตัวตนแต่จิตไม่มีตัวตนเมื่อจิตไม่มีตัวตนจิตนั้นก็ไปถือรางกายออกมาเป็นตัวตนเอาไปาแล้วก็ไปยึดถือหูจมูกลิ้นกายใจ เอมาเป็นตัวตนแต่แล้วร่างกายนั้นไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อยจากเด็กเล็กเป็นเด็กโตจากเด็กโตเป็นเด็กวัยรุ่งจากเด็กวัยรุย่งเป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวจากหนุ่มจากสาวก็เป็นผู้สูงวัยเป็นผู้กลางคนจะไปก็เป็นคนแก่ก็เป็นคนแกบแล้วก็เป็นคนตาย แต่ก่อนที่จะแก่จะเจ็บจะตายมันก็มีความทุกข์มันก็อยู่กับความทุกข์ทุกเพราะอะไรทุกเพราะข้าไปยึดมั่นถือมันความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์การประปราชจากของรักของเจ้าใจเป็นทุกข์มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสิ่ ง, งไม่ได้สิ่งนั้น กเป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ข้างห้าเป็นถั่วทุกข์รูปปาทานขันโทขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปประกายนี้แหละที่เราค่ายึดมั่นถืมัเวทนาปาทานขันโทขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาไม่รู้จักรูป ว่ารูปไหลเรื่อยไหลเรื่อยก้าวิปย์มั่นถือมันไม่รู้จักเวทนาเวทนาเพราะเพล้บเพล้บเพล้บเพบเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับว่างจากตัวตนสัญโญปาทานขันโทไม่รู้จักสัญญาก้าวไปยึดถือสัญญาว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนก้าเป็นตัวกูว่าเป็นของกูอีกข้าวไปยึดถือในสังขาร ในการปรุงในการแตง่งว่าสังขารเป็นตัวตนเป็นของตนเองถ้าไปยึดถือในความรู้สึกคือวิญญาว่าวิญญาณนั้นก็เป็นตัวกูเป็นของกูมันธรรมชาติทั้งหมดเลยรูปก็เป็นธรรมชาติเกิดขึ้นมาจากธรรมชาติไหลไปตามธรรมชาติและก็ดับไปตามกฎแห่งธรรมชาติ รูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีสิ่งเหล่านี้เกิดดับล้วนแต่เกิดดับแล้วก็ว่างจากตัวตนเห็นเกิดดับมันยังไม่พอยังไม่พอต้องขยายต่อไปอีกเห็นว่าที่มันเกิดมันดับเพราะมันไม่มีตัวตนถ้ามันมีตัวตนจริง คนที่มีคันอยู่ในท้องก็ไม่ต้องคลอดออกมาเป็นได้ไหมเป็นไม่ได้เได้อย่างนั้นมันเป็นไม่ได้นี่เียว่าตัวตนฉะนั้นทุกอย่างไม่มีตัวตนทางนั้นเลยต้องดูมาก้าบัานเรามีกล้วยอยู่ที่ต้นหนึ่งมันออกขึ้นมาสองใบสามใบห้าใบ โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นกล้วยต้นนั้นก็ออกปีพอออกปีออกลูกออกลูกได้สี่หวีห้าวีหกวีเจ็ดวีเราก็ตัดปีมันออกแล้วมันก็ like, โตขึ้นโตขึ้นโตขึ er ้นมันไหลที่มันโตขึ้นนะมันไหลมันไหลมันไหลคือมันไหลเรื่อยไหลเรื่อยเนี่ยมันไหลเรื่อย อันี้เมื่อมันไหลยอย่างนั้นพ็ได้โอกาสเราเห็นว่ามันแก่แล้วกล้วยมันก็แก่คนมันก็แก่แต่พอเวลาไปตัดกล้วยตัดแต่กล้วยแก่ไอ้ความแก่ของตัวเองนะถูกยิดมั่นถือมั่าหนุ่มความสาวเป็นกูความแก่เป็นกูความเจ็บเป็นกูความตายเป็นกูทีนี้ไปตัดกล้วยแก่รู้ได้ยังไงว่ากล้วยมันแก่ กล้วยที่มันแก่ลูกมันจะตึงตึงแล้วต่ยังไม่พอเรียกว่ามีขี้มะเร็งวันดำดที่ลูกมันนั้มันไม่สวยไม่งามแล้วทีนี้ถ้าคนแก่คนแก่ก็มีจุดดำดำดำดเหมือนกับกล้วยแก่แต่เสร็จแล้วเห็นแต่กล้วยแก่ไม่เห็นความแก่ที่ตัวเองเลยนี่คือ ขาดปัญญาเห็นไหมขาดปัญญาเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่หรือว่าเป็นไปตามกฎของธรรมชาติความเกิดเป็นธรรมชาติความแก่เป็นธรรมชาติความเจ็บเป็นธรรมชาติความตายเป็นธรรมชาติพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าผู้ใดมาคบเรา เป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรคือมิตรที่ข้าว อ, อกข้าวใจซึ่งกันและกันถ้าใครมาคบเราเป็นกัลยาณมิตรคนผู้นั้นจะพ้นจากความเกิดพ้นจากความแก่พ้นจากความเจ็บพ้นจากความตายที่นี่การเกิดจาก้องแม่นั่นเรื่องธรรมดานี่เรียกว่า ความเกิดทางโลกความเกิดทางโลกทางเนื้อทางหนังให้เด็กทารโกมันยังไม่รู้สึกอะไรหราไอ้ที่เกิดครอดออกมาจากท้องแม่พระพุทธเจ้าไม่ได้ประสงค์ในการเกิดจากท้องแม่แต่ว่าพระองค์ประสงค์ว่าเกิดจากความรู้สึกเมื่อใดความรู้สึกว่ามีกูขึ้นมาเอาจิตมาเป็นกู พอเอาจิตมาเป็นกูตอนนี้แหผู้สูงอายุผู้สูงวัยอ่ะพอเอาจิตมาเป็นกูก็ดูเนื้อดูหนังของตัวเองดูเนื้อหนังกูมันแก่แล้วพูดแต่ว่ากูมันแก่แล้วแต่ว่าพูดต่อปากแต่จิตพูดว่าแกก็ไม่ใช่กูมันก็เป็นไปตามธรรมชาติมันอย่างนั้นมันเอง เป็นไปตามธรรมชาติอย่างนั้นมันเองสาวก็ไม่ใช่กูหนุม่มก็ไม่ใช่กูพอเอาความหนุ่มความสาวมาเป็นกูก็เลยหลงกี่นี้หลงอะไรหลงในวัยหลงในวัยในวัยหนุ่มใน ว, วัยสาวไอ้พวกดาราทั้งหลาย มันขายจินได้กีก่วันกี่เดือนกี่ปีพอาอายุมันสามสิบแล้วมันก็ตก อ, อันดับแล้วจะชี้จะทํำยังไงมันก็เอาไว้อยู่แล้วเอาไว้อยู่แล้วนี่ฉะ น, นั้นเราจะต้องฉลาดจิตนี้จะต้องฉลาดปฏิบัติทําให้จิตนี้ฉลาดพอจิตฉลาดความเกิดความรู้สึก ว่ากูขึ้นมาก็าบอกมันว่าไม่ใช่กูตอนแรกสาร้างคิดว่าเป็นคำยาววันที่หลวงพ่อกล่าวเมื่อคนะือ น, รรอนน่ะแรกเราลึคิดว่าเป็นความเป็นคหยาวแต่มันไม่ได้ยาวคำนี้เป็นคำที่พูดหรือภาวนาออกไปแล้วมันกินใจมันกินใจกินใจตามภาษา และกดถึงกระดูกดำของกิเลสไปเลยการเกิดความรู้สึกเกิดความรู้สึกว่าจิตเป็นกูแต่เราก็ภาวนาว่าไม่ใช่กูทวนกระแสมันต้องทวนกระแสไม่ทวนกระแสไม่ได้ไม่อย่างนั้นมันก็กูกูกูกูอยู่ด้วยมันก็กูอยู่เรื่องทีนี้เราต้องหักดิบ ้าเป็นพวกติดยาเหลือเกินเลิกตายเป็นตา ย, ตายกูจะไม่ยุ่งอีกแล้วกับมึงคอนด่มแล้วก็บอกว่ากูไม่เอาอีกแล้วขี้เกียจและเมียมันด่าคนที่โซคุลีก็บอกว่าพอแล้วมึงมันตัวเล็กกูตัวใหญ่กว่ามึงกูต้องชนะมึงนี่คนที่เด็ดขาดวันี้ไอคนที่ติดยาบ้าก็บอกวันเลิกแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วเด็ดขาดแล้วอย่าง นี่เรยกว่าหักดิบหักดิบหักดิบทีนี้เราปฏิบัติธรรมเราให้รู้จักคําว่าหักดิบหักดิบก็คือไม่ใช่กูไม่ใช่กูพอมันจะโกรธรูปโกรธหลานโกรธหานมีภัรยาโกรธเพื่อนโกรธผู้เอาเลยสติดึงปัญญามาเลยดึงปัญญาตัวปัญญาก็คือไม่ใช่กู ไอ้ไม่ใช่กูนั่นคือมันว่างจากตัวกูแล้วก็ไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูแต่ไเห็นว่าไม่ใช่กูแล้ววันหนึ่งเราก็จะเห็นเห็นว่ามันไม่ใช่กูจริงๆให้ดูในกระจกที่ดูในกระจกยิ้มไม่กระจกถ้าสมมติว่าเปลือกปากของเราไม่มีมันมีอะไรสวยที่ตรงไหน ถ้าไม่มีเปลือกปากไม่สวยไม่งามเหมนเด็กฟันเห็นไหมผีหลอกอย่างนั้นเหมือนกับผีหลอกเห็นเด็ดฟันยิ้มให้กระจกทีนี้เพาเปลือกปากไม่สวยแไปทาเป๊ะกลับไปเลยต า, าสีไปทางสีไปยอมสีเข้าให้เปลือกปากมันแดงเห็นไหมนี่เรียกว่าถ้ายามที่จะหลอกตัวเองอยู่เรื่อยอ ขนตาฉันลา น, นี้มีการต่อขนตาลา น, นี้มีการต่อเช่นผมลา น, นี้มีการต่อเล็บโออะไรกันเนี่ยอะไรกันเดี๋ยวเนี่ยถ้าไม่หลงหลงหลงห ล, ล, ล, ลงเล็บไปต่อมันทาไมไอพี่งอกมาแล้วเวลาไปโกรธไปควนอะไรถ้ามันก็มีขี่เล็บ แค่มันก็จบกระโปรกเล็บมันก็จบกระปรงก็ดูที่มันทําหน้าที่ในการเก็บในการเก่าแล้วมันก็มีที่เล็บต้องตัดหน้ามันสั้นๆตามปกติตามปกติมันก็ชวยงามอยู่แล้วตามปกติแหละไปทามันทําไมเล็บในไปทามันทําไมมันรู้เรื่องอะไรเล็บมันแต่เล็้นิ้วเอไม่ใส่แหวนเพชให้มัน แต่ตาเอาหนน้ำออกนะแต่าเอาเนื้อออกไม่มีแต่กระดูกนะไหนมันชอบไหมนิ้วนั้นมันชอบไหมเราเข้าใจผิดเราคิดว่ามันสวยคิดว่ามันงามเป็นไปไม่ได้เลยไปใส่นิ้วให้กระดูกไปใส่แหวนให้กระดูกไปเอาช่ยอยคอทอ ง, ทงแหวนกระดูกคอ ทำได้ต่างๆนานาเราจะเห็นว่ามันไม่สวยไม่งามเห็นเป็นความไม่สวยไม่งามแค่เราก็ไม่หลงถ้าอย่างนั้นมันจะไม่หลงในวัยของตัวเองเว่าไม่หลงตัวเองมันก็ไม่หลงคนอื่นนี้เราก็จะเห็นตามความเป็นจริงปัญญามันก็จะเกิด นี่คือไม่หลงในรูปไม่หลงในเวทนาไม่หลงในสัญญาทั้งขายวิญญาณไม่กล้าไปหลงไม่กล้าไปหลงก็คือคนที่มีปัญญานั่นเองไม่หลงแต่คนโง่ก็ยอดที่จะหลงไปตามไวยของต้นของต้นของตนหลงไปตามไวยของตน้นของตนของตนด้วยอย่างนั้นหลงไปหลงมาหลงมาอะไรหลงอายุอายุมันอะไร เวลาเวลามันมาจากไหนโลกมันหมุนพอโลกมันหมุนทําให้เกิดเวลาพอตามใ้เกิดเวลาเกี่ยวโยงกันหมดทีนี้อา่าวเวลาของหมาตัวไหนสิบเอ็ดสิบสองปีตายแล้วเวลาของแมวห้าปีหกปีเจ็ดปีตายแล้วเวลาของวัวยี่สิบปีอย่างว่า เวลาของควายยี่สิบปีเวลาของยุงเจวันเวลาของคนุญากจะยืด อ, อยากจะมีอายุยืนอายุยืนอายุยืนแล้วคนต้องถามตัวเองเอาว่าเวลามันอะไรเวลามันอะไรเวลาก็คือโลกมันหมนโลกมันหมุนหรอบหนึ่งเมื่อครั้งได้่งจะวันครั้งได้ ได้หนึ่งรเป็นกลางวัดเป็นกลางคืนยี่สิบสี่ชั่วโมงจับเอามาเล็จะเลยเวลาเอามาเป็นนาฬิกาเหลนเล็กๆจับมาเล็จเฉลยนี่เวลาแถวนี้นี่เวลาแถวนี้นี่เวลาแถวนี้มันอะไรเวลากเพราะโลกมันหมนุนแต่โลกมันไม่หมนุนเวลามันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนั้นเวลาเป็นสิ่งที่สมมติ นี้การจับนาำการจับคือนาำยักษ์นาำยักษ์ที่เริ่มต้นด้วยการกินเวลาพอกินเวลาก็กินสัพสัตต์ทั้งหลายในโลกนี้ในจกักรวาล น, นี้นาำการจับนี้กินหมดกินหมดก็คือนาำการเวลา นาการจักรก็คือนางกาเวลานางกาเวลาที่มันกินสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่านางยักษ์นางยักษ์เขี่ยวงโง่ถ้ไปดูในภาพปฏิจจ ա ดาว บ, บาทนี่นางยักษ์เป็นอย่างไงนางยักษ์กินสัตว์กินค น, ก, น, น, นกินนั่นกินนี้กินหมดกินหมดเพราะมันกินเวลาไม่ได้กินอย่างอื่นมันกินเวลาเรียกว่ากาลจักรเรียกว่ากาลจักร ทีนี้เมื่อนำยักงมันกินเวลาไอสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสัตว์ทั้งหลายท่านถือว่านี่อายุของกูกูมีอายุเท่านั้นวันเท่านั้นปียี่สิบปี30สิบปีห้สิบปีเจ็สบปีแปดสิบปี90้าสิบปีนาการดับน้นมันกินกินกินกินกินเราก็เลยไ ป, เ ป, เ, ปเป็นทาตเวลาไปเป็นทาตเวลาเมื่อเราเป็นทาตเวลา ความแก่มันก็เกิดขึ้นมาจากเวลาความนมความสาวมันก็เกิดมาจากเวลาความเจ็บมันก็มาจากเวลาความตายมันก็มาจากเวลาเวลาตั้งนั้นเลยเป็นเวลาตั้งนั้นเลยไม่มีอะไรเลยดังนั้นเราจะต้องศึกษาพระปฏิจจธรรมุบาทให้เข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจนางยักษ์กะลจากนี้ กินเราทุกวันทุกเดือนทุกปีทุกวินาทีทุกช่วโบกเมื่อเราเข้าไปยึดถือนี่เรียกว่านางกาลจักรนางกาลจักรวันหนึ่งหลงพ่อไม่ได้ลงไปบิณฑบาตพระก็ลงไปเอพระลงไปหลวงพ่อก็ศึกษาปฏิจจสมุ ป, า ป, ารรมปบาทปฏิจจาธมุปบาตศึกษาศึกษาศึกษาศึกษา จำมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เป็นสามเณรอายุสิบห้าปีสิบหปีจำแล้วแต่แล้วก็ท้องไห่ทองได้หาจินได้ท้องหากินไปสวดผีได้แต่ไม่รู้อะไรรู้อะไรเลยแปลไม่ได้อัไรไม่ได้ทีนี้พอมาอยู่กับพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสท่านกน็ได้รับ ที่พูดเมื่อคืนั่นแหละว่าพระมาจากที่เบรรูปในึ่งการจะเอาไอ้ภาพกระดจักนี้มาถวายคือภาพปฏะจิตจะทบุญบาทเอามาถวายเสร็จแล้วท่านก็อจากจะเขียนเพื่อให้คนได้ศึกษาไอ้มีพระรูปในบวชมาใหม่แล้วก็ให้ท่านเขียนหลวงพ่อก่อตอนนั้นก็ยังไม่ได้บวช ก็เลยต้องนั่งคมุมท่านบอกว่าให้คมุมถ้าตรงไหนไม่เหมือนเออประท้วงได้เลยชี้นแนะได้เลยว่าตรงนี้ไม่เหมือนนั่งคุมอย่างนั้นทีนี้นางกาลาจับที่ว่ากินเวลาไอ้นี่หลวงพ่อหลวงพ่ อ, ห ล, พอหลวงพ่อปฏิบัติด้วยการรู้จักวิชาสังขารวิญญาณนามรูปอยายตนะปัตสั เวทนาตัณหาอุปาทานปชฌะชรามารณะและก็ทุกนี่เรียกว่าเป็นสิ่งสมมติท้งนั้นแต่ว่าเราคิดว่าจริงวันนี้ในขณะที่หลวงพ่ออยู่ที่วังสันกีบันพอดหรือที่วังเนียมพระไปบินถบายหลวงพ่อก็รอรออยู่ข้างบน เราก็เดินทีนี้เดินเดินจงกรมเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเด่นไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูที่เดินนั่นแหละไม่ใช่กูเพราไม่ใช่ก็ไมีใเวลานี่มันอะไรเวลานี่มันอะไรเวลาก็เป็นสิ่งสมมติใช่ั้นไอ้ตัวกูก็เป็นสิ่งสมมติเป็นสมมติที่มันเกิดขึ้นมาเพราะ เรากล้าไปยึดมั่นถือมั a, ่นเวลาเมื่อเราไม่กล mm. ้าไปยึดม um ั <t <t uh ่นถือมั่นเวลาถ้าจะกลับเที่ยมก็ไม่เป็นไรถ้าจะกลับข้าำก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่กล้าไปยึดมั่นถือมันมันก็จบเลทํานนะมันก็จบนะถ้าเราไปเป็นธาตเวลาทำไมทีนี้เวลาเรานัดกับเพื่อนนัดกับเพื่อนบอกว่าบ่ายสามโมงนะมาเจอกัน เจอกันเราก็รอรอรอร อ, รอเพื่อนไม่มาสักทีหนึ่งพอเพื่อนไม่มาเป็นยังไงเราก็หมดหงิดแล้ว เ, เราก็โกรธขาดทุนขาดทุนเราเป็นทาตเวลาแล้วในตอนนั้นก็เราทําอย่างอื่นเียดิทำอย่างอืนงองอ่นดิทีนี้ถ้าเราจะนักเวลาถ้าเราจะนักเวลาได้เห็นว่าเวลาเป็นชินสมมติการคืนก็คือมือ้อ กลางวันก็คือสว่างไอที่มันมืดก็เพราะว่า ด, ดวงอาทิตย์มันทอง ม, มาแล้วก็ชองไม่ถึงไอโลกด้านเดงมันก็จะบังทีนี้พอเป็นกลางวันมันก็โดนแสงอาทิตย์นี่นะเสร็จแล้วมันก็เกิดกลางวันกลางคืนขึ้นมาเกิดเวลาขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นม า, นม า, นม า, นมาโอ้มันโกหกทางนั้นเลยไม่ใช่ของจริงเลยสมมติสมมติสมมติดนั้นเมื่อเวลาเป็นสิ่งสมมติ ไม่ยอายุของเรามันจะเป็นความจริงได้ยังไงอ่ะอายุของเรามันก็ไม่จริงนี่อายุของเรานี่เราอายุเท่านั้นเท่านั้นทำนั้นทำนั้นเออโยไป้ะลูกเอยเวลาให้พรผู้บ่าวสาวโยไป ล, ลูกเออโยไปเถิดไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชรเให้โยไปเถิดนี่น้องชายของพระสารีบุตร ชื่อเรวัตภาษาดีบุตรเจ็ดคนพี่เนองอยู่ที่นาลังทาเสร็จแล้วพ่อเศรษฐีพ่อเป็นเศรษฐีเสียชีวิตไปเหลือแต่แม่เพรอเหลือแต่แม่เป็นยังไงแม่ก็ข้าวแต่ทรัพย์สมบัติแ0ิบโกดแปสิบโกนั่นแหละข้าวอยู่นั้นปวดบอดลูกของเราบวดไปแล้วหกเหลือคนเดียว เป็นยังไงเหลือคนเดียว็นนี้ที่บวชไปถ้าเป็นผู้หญิงก็บวชเป็นนางพิษุณีเป็นผู้ชายบวชพระบวชพระที่บวชไปหคนเป็นพระราชหมดแต่พระธารีบุตรเป็นสาวกเบือ้องขวาเป็นสาวกเบือ้องขวาแต่แม่มิฉาทิฐิยึดมั่นถือมัน่น ยึดมันถือมันทรัพสมบัติเป็จิโกดต้องแก่อยู่นั้นแหละโกอเป็นจิโกดนะหนูแต่ยังไงทีนี้วันหนึ่งพระสังฆบุตท่านอยู่ที่เชตวันท่านก็ดูเราไี่จะตายเมื่อไหร่เนี่ยดูตัวเองเราจะตายเมื่อไหร่นั่นั่งดูดูดูดูดูดูดูวงให้ตัวเองอุ อีก7จวันจะตายแล้วโอ้เหลือ7จวันนี้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวจะไปโปรดแม่หน่อยตายก็ตายเถอะท่านเป็นป้าหลานแล้วท่านจะไปกลัวอะไรไปโปรดแม่ไปโปรดแม่ไ ป, ปด ไ, ได้ไปองเดียวที่อาพิกโชบอยห้าร้อยไปที่นารันทานนูอนาพิกโชบริวานไปห้าร้อยรูปพอไปถึงตอนเย็น ยังเหลือเวลาอีกคืนสองคือนะไม่นานแล้วพ่วอบอกยอมแม่วันนี้ยอมแม่ยอมแม่จัดการให้พระห้าร้อยรูปพักด้วยให้พักที่บ้านหมดแล้วบ้านกเอเศรษฐีใหญ่ขนาดไห น, อยอยนเราคิดดูพระไปพักกังา100ร้อยรูปทีนี้จัดการให้พระพักพระ พ, ระพระักแล้วก็เรื่องอาหารการก๋ฉันอะไรเรียบร้อย ในคืนที่หนึ่งท้องเสียขึ้นมาท่านท้องเสียท่านท้องเสียก็ท้องร่วงท้องร่วงก็นอนเปลียอยู่อย่างนั้นนอนเปลียอ ย, อย่างนั้นเป็นยังไงเอาไปคืนที่สองอีกท้าวสัตการู้ว่าพระสาราีบุตรป่วยหนักได้จะสิ้นชีวิตแล้วท้าวสัตกาหรือพวกเทพ มาเยี่ยมท่านมาเยี่ยมออกมาเยี่ยมที่ห้องที่ท่านพักมีแสงสว่างจำไว้นะไอ้ควายคว้ามันมีที่ไหนอ่ะมันไม่มีมีแสงสว่างพลึบในห้องนางพระมณีที่เป็นโยมแม่ของท่านเห็นนะก็เอ๊ะมันอะไรก็เป็นเช้าเมื่อมาถามท่านลูกเจ้า ใครมาเมื่อคืนมีแสงสว่างเต็มห้องลูกไปหมดโยงแม่เท้าสักกระถ้าจั ก, กระจะลึืแคมาทําไมอะ่ะมาเทกระโถนให้ลูกเจ้าให้ลูกนั่นแหละให้ลูกอถ้าจักระมาเทกระโถนเหรอฉันหน่อยอ่ะถ้าจักระก็ท้าจักกาดี มารับใช้เหมือนสามเณรโยมแม่เหมือนสามเณรอย่างนั้นแเลยเห็นไหมพอรูวอย่างนั้นน่ยโอ้ขนาดทาา่านจะกลัมาช่วยเหลืออุปก า, าระลูกของเราถึงขนาดนี้เชียวหรือถาบอกขนาดนี้น่ยโยมแม่อย่างนั้นก็เทศโยมแม่ความหน่อยที่โยมก็เลยเทศายอมแม่ความ จะว่าโยอมแม่ให้โยอมแม่หนักแน่หนักแน่ในพระรัตนตรยัยพระรัตนตรัยที่เรารู้จักประพุทธพระธรรมประสง์ประพุทธรรมทไม่ใช่องค์พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่ตัวหนังสือไม่ใช่คำพูดพระอเรียสงไม่ใช่พระที่เดินบินตบาบ่าเดินไปเดินมาเหลืองเหลืองเปลือบพวกนั้นทั้งหมดเป็นเปลืออทำนั้น แว่าพระพุทธเจ้าเนื้อในของพระพุทธเจ้าคือจิตที่สงบเย็นของพระองค์พระองค์มีจิตที่สงบเย็นจิตที่อยู่เหนือกายอยู่เหนือเวทนาอยู่เหนือจิตโง่แล้วก็อยู่เหนือธรรมชาติอยู่เหนือโลกอยู่เหนือจัตวาณอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างจิตของพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติที่สงบเย็น เพราะว่าธรรมชาติที่สงบเย็นก็ทำให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาแต่เสร็จแล้วไอ้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทั้งหมดนั้นมันล้วนแต่เป็นสิ่งสมมติทางนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งสมมติทางนั้นนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าที่เราเห็นกันที่เดินไปเดินมานั่นคือเปลือกของพระพุทธเจ้าทิ่ของทานต่างหาที่สงบเย็น แต่เอาออกมาแสดงไม่ได้มีพราหมณ์คนหนึ่งเห็นพระองค์มีหน้าตาแจ่มใสก็ถามว่าท่านเป็นใครเป็นพราหมณ์หรือไม่ใช่เป็นเทพหรือไม่ใช่เป็นพรอมหรือไม่ใช่เป็นมนุษย์หรือไม่ใช่ไม่เป็นอะไรท่านบอกว่าเราไม่ได้เป็นอะไรจะไปเป็นมันทําไมอ่ะไม่ต้องไปเป็นอะไรนั่นแหละคือ พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันะต์นั้นทไม่ได้เป็นอะไรแต่จิตท่านมีความสงบเย็นที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติแล้วกับธรรมชาติแล้วจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติแล้วทีนี้พระธรรมพระธรรมคือครั้งครั้งแห่งความสงบเย็นพระพุทธเจ้าแต่จะรู้ก็รู้พระธรรม สิ่งทั้งปวงก็เกิดมาจากพระธรรมระธรรมที่เป็นวัตถุเกิดดับเกิดดับเกิดดับว่างจากตัวตนพระธรรมทั้งหมดเกิดดับว่างจากตัวตนจะเป็นสิ่งไหนจะเป็นอะไรก็รวนมาจากพระธรรมทางนั้นดาเนินมาจากพระธรรมทางนั้นแล้วสิ่งราวนั้นก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับว่างจากตัวตน เพราะฉะนั้นเมื่อว่างจากตัวตนก็ไม่เข้าไปยึดมั่นหรือมัน่นเพราะฉะนั้นการไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเข้าวถึงพระธรรมคือจิตที่สงบเย็นพระธรรมโดยเป็นครั้งแห่ความสงบเย็นของสรรพจิ๋งทั้งหลายทั้งปวงวนพระอริยสงฆ์พระอารหันต์ทั้งหลายท่านมีความสงบเย็นที่ด้านมาจากพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านบอกว่านี้เธอทั้งหลายเดินทางนี้จะมีภาพพระพุทธเจ้ า, ายืนอยู่ข้างหัวยักษ์คือนางกาลจักพอยืนอยู่แล้วก็ชี้ไปชี้ไปโน่นข้าหัวนางยักษ์นางกาลจักบอกว่านี้เธอเดินทางนี้เดินทางนี้เดินทางนี้ทางอื่นนะ่ะมันไม่ใช่ทั้งนั้นแหละก็อะบอกว่าโอ้พระองค์นั้นเหอะได ก็ห่อที่อไปทำไมเนี่ยเคร่งบินก็มีเยอะแยะนี่ไม่ต้องไป่อไหรอกใครมันจะเชื่อสมัยนี้นี่ถ้าเชื่อห่อได้แล้ดับทุกได้ไหมไม่ได้พระองค์นั้นหรือยอมคนนั้นเดินบนน้าได้ก็เดินไปดีกว่าน้ําล้วดับทุกได้ไหมดับไม่ได้นี่ดับทุกไม่ได้พระองค์นั้นได้ฤทิได้ฤิก็ดดินก็ดำวอดีแล้ดับทุกได้ไหมดับไม่ได้ จากนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสว่ายึดมั่นถือมั่นในฤทธิ์นั้นก็ไม่ได้มันหลงในฤทธิ์พอหลงในฤทธิ์วก็แสดงฤทธิ์แสดงฤทธิ์เพื่ออะไรเพื่อล่าจักการะห็นไหมเพื่อล่าจักการะก็เลยแสดงฤทธิ์แสดงฤทธิ์กันจานั้นฤทธิ์ที่ดีที่พุทธที่สุดก็คือธรรมฤทธิ ธรรมาริษนี่ถ้าหลงพ่อไม่มีฤทธิ์ท่านจะมานั่งควง ม, มือทําไมนี่เขาเรียกว่าธรรมาริษทีนี้ธรรมาริษนี้ถ้าใครออกไปปฏิบัติดับทุกได้ดับความทุกได้นี้คือธรรมาริษแต่ว่าธรรมาริษเพราะฉะนั้นพระสัพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์คือจิตที่สงบเย็นของพระองค์พระธรรมคือกลางแห่ ง, งความสงบเย็น พระอรียสงฆ์ก็ได้รับความถ่ายทอดแต่ออกมาปฏิบัติดีปฏิบัติจริงปฏิบัติชอบแล้วก็หลุดพ้นจากความยึดมั่นหรือมั่นทั้งหมดนางรมามณีเป็นยังไงยมแม่ของท่น้นก็บอกโอ้ลูกเจ้าเนี่ยลูกเจ้าทำไมมาหาแม่เลยมาพูดเอาตอนนี้แม่จะถึงเวลาจะตายอยู่แล้ว ถ้ามลูกเจ้าไม่มาบอกแม่ให้นานกว่านี้ได้ไหมนี่ข้าวถึงแล้วข้าวถึงพระพุทธเจ้าข้าวถึงพระธรรมข้าวถึงพระสงฆ์นี้คือเรียวกว่าข้าวถึงพระรัตนตรยัยนางข้าวถึงพระรัตนตรัยเสร็จแล้วเป็นยังไงพระสารีบุตรก็นิพานเลยนิพานเออท่านก็ดักไปเลยแต่ตามที่จริงอะนะนิพานอะ กรรมวานิพพานนิพพานนิพพาน น, พานี่เราไปข้าวใจจิตมันเหลือแต่ร่างแล้วนิพพาน่ตอนที่ท่านจะจะรู้หรือท่านเป็นพระอารหันนั่นนั่นแหละนิพพานแล้วใครนิพพานกิเลสมันดับก็กิเลสมันดับจิตมันมีแต่ความสงบเย็นไหมจิตมันมีแต่ความสงบเย็นมีแต่ความเย็นความเย็นความเย็นสงบเย็นสงบเย็นสงบเย็น จิตอยู่กับความสงบเย็นความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายไม่กลัวไม่จะทกสะตาจิตมีความสงบเย็นเพราะทา่านนิพพานแล้วทา่านนิพพานแล้วทีนี้เหลือแต่เปลือกเปลือกมันก็ไปทีหลังแหละว่ามันยังอยู่ยังหายใจได้มันยังกินได้มันยังฉันได้มันก็อยู่เลยเปลือกมันอยู่เท่าไหร่ก็มันก็โย่ไปอยู่ไปพระพุทธเจ้า นิพพานที่ไหนถ้าเราศึกษาในเรื่องเปลือกเลือกพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ลงี่ณีพระพุทธเจ้าประจูดที่พุทธกิยาพระพุทธเจ้าปรินิพานที่ที่ไหนที่ข้าต้นสาละทั้งคู่เสร็จแล้วเป็นอย่างไงพระพุทธเจ้าประจูดตรัสรู้ปรินิพาน ไอ้ที่ประสูที่สวนลุมพินีวันเจ้าคว้าใจาสิทธทัตถะนั้นคือเปลือกของพระพุทธเจ้าที่ตัตรู้ที่พุทธกยาเหลืออะไรไอ้ที่เหลือคือเปลือกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์นั่งครั้งจุดาจฉันข้ามาตุบ ป, ปายยของนางสุชาดาเสร็จแล้วก็ข้ามไปขวงโน้น ถาแม่น้ำเนรัญชาราไปแล้วไปถึงเห็นที่ต้นโพนั้นสงบเย็นสงบมิหยัดดีจริงๆพระองค์ก็ได้หญ้าตาไปแปดกัมก็ได้ยญ้าตาแปดกัมก็เอาไปเคลียเคลียเคลียเคลียทำที่ประทับนั่งนี่หลวงพ่นั่งตรงนี้สบายกว่าพระพุทธเจ้าเป็นไหนๆเลยน่าอายพระพุทธเจ้าแต่เสร็จแล้วเป็นยังไงพระพุทธเจ้าลุก นั่งลงไปกอนั่งลงไปที่ใต้ต้นโพก็ข้างหลังก็ประทับเป็นเหมือนกันที่กินอย่างนั้นแล้วเสร็จแล้วก็อธิษฐานจิตว่าครั้งนี้ถ้าว่าเราไม่จดรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่ลุกขึ้นเป็นอันการแม้เนื้อหนังเอ็กระดูกแย่เหือดไปก็ตามที อีกก็หมายความว่าเราเอากันง่ายง่ายแบบพระามารถระบบทายเป็นตตายเป็นตายไม่ลุกขึ้นแล้วมันตายเรือจังหวมันหรือไม่เป็นก็อย่าเป็นมันไม่เป็นก็อย่าเป็นมันก็อย่าได้เป็นมันเห็นไหมให้มันตายไปเลยพระองค์ว่าทับนั่งเสร็จแล้วทิฏฐิจิตเสร็จแล้วพระองค์ทำย่างไงพระองค์ก็ดูความเกิดเป็นยังไงความแก่เป็นยังไง วามเจ็บเป็นยังไงความตายเป็นยังไงก็ดูดูปฏิจจสมุปบาทอาวิชชาปัญญาสังขาราสังขาราปัญยาวิญญาณนัง่งนี่ดูควายเกิดทุกดูควายดับทุกควายเกิดทุกอะไรควายเกิดทุกก็คืออวิชชาอาวิชชาคือจิตที่เป็นอวิชชานะที่ประกอบด้วยอวิชชานะคือจิตโงม หรือการที่เราเข้าไปยึดถือจิตว่าเป็นตัวกูก็เกิดจิตอวิชชาขึ้นมาก็าเกิดจิตอาจิตอวิชชาขึ้นมาจิตอวิชชามีหน้าที่ในการที่จะเจตจัยสังขารสังขารก็คือกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารเข้ไหมกายสังขารวจีสังขารมโนสังขาร รูปแต่งหรือแปลว่ากระทำกระทํากระทําทางกายเรียกว่ากายสังขารพูดทางวาจาเรียกว่าวาจีสังขารทิดทางใจเรียกว่ามโนสังขารทีนี้ไอ้ตัวทว่าวิชามันเต็มไปด้วยตัวกูเต็มไปด้วยตัวกูตัววิชานั้นพอมันเต็มไปด้วยตัวกูมันยึดมั่นถือมันว่าตัวกูพอจับมั่นถืมั่นว่าตัวกูก็คืออูหนุกกูสาว กูแก่กูเจ็บกูตายเห็นไหมกูหมดกูหมดอวิชชาเป็นปัจจัยทําให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยทําให้เกิดวิญญาณวิญญาณแปลว่าความรู้ตัวรู้รู้ทางตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจรู้ในเรื่องรูปในเรื่องน้ำรู้ในเรื่องรูปในเรื่องนา้เาเกิดเป็นตัวรู้กันมาเรีวยกว่าตัววิญญาณ อวิชาเป็นปัจจัยทําให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยทําให้เกิดวิญญาณมันจะเกิดต่อๆกันไปทีนี้ที่พูดเมื่อคือนนั่นแหละว่าเจ้ากํานายเวรเจ้ากํานายเวรนะไอ้ตัวจิตที่ก่าวไปยึดมั่นถือมัน่นคือจิตโง่นั่นแหละมันเข้าวไปยึดมั่นถือมั่นก้าไปยึดมันมนดม่นถือมั่นว่าตัวกูเกิดอาวิชาขึ้นมาแล้ว คอจิตที่เป็นอวิชามันเกิดแล้วพอจิตที่เป็นอวิชามันเกิดมันก็ขยายที่มันขยายคือมันงโง่อวิชาน่ะมันงโง่มันงโง่แล้วก็อยายขยายความงโง่แล้วก็ไปคิดด้วยความงโง่ไปทําด้วยความงโง่ไปพูดด้วยความงโง่นึ่มันจะงโง่หมดอย่างนี้ของโง่เสร็แล้วสังขารเป็นปัจจัยทําให้เกิดวิญญาณวิญญาณเกิดก่อรู้ทีนี้เมื่อมัน โมก็ใครรู้กูรู้ที่เห็นไหมกูรู้นี่จากถ้าภาษาภาษาหน่อยถ้าภาษาใต้ภาษาใต้ก็เรียกว่าทำเท่าอันนี้มันทำเท่า เ, าเด็กมันยังไม่แก่แต่ว่ามันทำแก่ เ, เกนี่มันทำแก่ทีนนี้ตัววิญญาณก็เหมือนกันกูรู้ไปหมดอะไรก็กูรู้ไปหมดนั่นคือวิญญาณ ตัววิญญาณเอ้วิญญาณเป็นปัจจัยจาไม่เกิดนามารูปนามารูป ก, ก็คือกายกับใจกายกับใจนามารูปนามารูป น, นามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามเป็นนามมันจับต้องไม่ได้มันเมื่อเปลืองเหนือที่นั่นมันเป็นนามรูปรูป ก, ก็จริงที่ตามองเห็นที่เราจับต้องได้รูป นั้นรูปอันนี้เป็นยังไงวิญญาณมันก็ว่ากูรู้รู้อะไรรู้รูปรู้เวทนารู้สัญญารู้สังการรู้วิญญาณรู้ว่ายังไงรู้ว่ารูปเป็นกูเนี่กลยเย็ดมันถึงมันหมดแล้วรูปเป็นกูเวทนาเป็นกูสัญญาเป็นกูสังการเป็นกูวิญญาณเป็นกูไม่กูหมดสมนําหน้ามันที่มันเป็นทุกข์ มันโง่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นกูนี่ไปถึงนามารูปนามารูปเรียกว่าอายตนะอายตนะนามารูปเป็นปัจจัยทําให้เกิดอายตนะอายตนะก็ไปว่าชอบช่องช่อบช่อบอะไรช่องตาช่อบหูชองจมูกชองลิ้นช่อบกายชอบใจนั่นประตูหน้าตาคือประตูหน้าตาเรียกว่าอายตนะ ทีนี้มันก็ลนกล้าไปยึดถือเลยมันก็กล้าไปยึดถืออีกเลนามรูปเป็นปัจจัยอาไม่เกิดจารายตนะแปลว่าอายตนะบอกพอเกิดอายตนะขึ้นมาพอตาเห็นกูเห็นไอ้ความจริงมันตาเห็นนู่ตาเห็นเลยทีนี้ก็ไอ้ประสาทตาโนมันทําหน้าที่แต่กูไปเห็นได้ยังไงอะ กูไปเห็นได้ยังไงมันกล้าไปจับจองเป็นกูหมดตาโกหูกูจมูกโกูลิ้นกูกายโกใจกูกูหมดเนี่ยมันกูหมดนั่นคือมันรู้ผิดวิญญาณนั่นแหละมันรู้ผิดพอมันรู้ผิดก็ไปยึดถือยึดก็ยิ่งผิดเข้าไปใหญ่ทีนี้ยิ่งผิดเข้าไปใหญ่นี่เรียกว่านามรูปเป็นปัจจัย ทำให้เกิดสรายาตนะคือ อ, ยอยายตนะหกอายตนะหกสัจยตนะเป็นปัจจัยทำให้เกิดปัจจสัจทำให้เกิดปัจจสัจปัจจสัแปลว่าการกระทบการกระทบทางตาวันที่บอกเมื่อคืนน่ยตารูปจักรวิญญาณสามอย่างทํางานร่วมกันทําให้เกิดปัจสั หูเสียงโสตวิญญาณสามทำงานร่วมกันสามอย่างทำงานร่วมกันก็ทําให้เกิดปัจจัยนี้ต่อไปก็จะมูกกลิ่นตาณนะวิญญาณทํางานร่วมกันก็ทําให้เกิดปัจจัอีกมันเหมือนอะลรเหมือนกันทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจใจกรรมารง ม, มโนวิญ ญ, ญ, ญาณสาอย่างทํางานร่วมกันทำให้เกิดปัจจั เพราะปัสสาวเป็นอัจจัยก็ทําให้เกิดเวทนาเมื่อกืนก็ว่ลลาแล้วทาให้เกิดเวทนาอีนี้พอเกิดเวทนาเกิดจุกเวทนาขึ้นมาไม่เอาไม่เอาไม่กล้าไปยึดมันถือมันเพราะฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นจุกเวทนาหลอกร้อนหลอกร้อนเราทั้งนั้นเลยอีกพวกนี้จะไม่ลบเคลื่อน เกิดจุกรเวทนาคลื่นแต่แล้วเราไม่มีปัญญามองเแพ้มันทุกครั้งเลยเกิดเวานาทวานาทุกรเวทนาขึ้นมาทางตาตามมันเกิดจักรเวทนาทางหทางจมูกทางลิ้นทางกายตามใจเชื่อมันหมดเชื่อมันหมดเราคิดว่าทุกรเวทนานะั้นมันตาวรนมันไม่เกิดมันไม่ดับเป็นยังไง คนในโลกนี้ในสมัยนี้ต้องการได้จุกกเวทนาอย่างเดียวฉะนั้นหนาะกันแต่วัตถุวัตถุวัตถุวัตถุค้ากันแต่วัตถุเพราะต้องการจุกกเวทนาทีนี้วัตถุมันเป็นอย่างไงมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปี่นไปเรื่อยเอ้าตัวระดับเครื่องนี้ไม่ทันสมัยแล้วไอ้พวกไอ้รุ่นว่าไม่ทันสมัยแล้วเพราเอาไปเอะเพระอาไปเถอะก็เอาเงินมาให้ผมซื้อใหม่ จะได้ทันสมัยหน่อยเพื่อไม่หวั่นรั้งเด็กอย่างนี้ผู้ใหญ่ก็เอาที่มันใหญ่กว่านั้นอีกผู้ใหญ่ก็เอาเรื่องรถเรื่องรถเรื่องโ น, น้นเรื่องนี้ผู้ใหญ่หลงเวทนาทั้งนั้นเลยหลงเวทนาหลงจุกเวทนาไม่รู้จักจุกเวทนาก็เกิดดับว่างจากตัวตนทุกเวทนาเกิดดับ ว่างจากตัวตนอทุกข์กร de ุกเวทนาเกิดดับว่างจากตัวตนไม่เห็นการเกิดดับเมื่อไม่เห็นการเกิดดับยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นเวทนาทั้งสามจุกเวทนาเกิดก็ยึดมั่นถือมั่นทุกเวทนาเกิดก็ยึดมั่นถือมั่นทุกขกรรุกเวทนาเกิดดีกว่าอวิชาก็ยึดมั่นถือมั่นกอเกิดเวทนาขึ้นมา เวทนาก็เป็นปัจจัยทําให้เกิดอะไรทีนี้ถ้าไม่เกิดตัณหาเกิดทให้เกิดตัณหาตัณหาก็เกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดชุบประเวทนาขึ้นมาทางตางก็อยากอยากอยากในรูปอยากในรูปมันอยากในเสียงอยากความเสียงเพราะเพราะอยากในกลิ่นดินหนอมหอมอยากในรส อร่อยทางลิ้นอยากทางกายของนิ่มนวลอยากทางใจกรรมมาเรามันมีแต่อยากอยากยากอยากอยากมันไม่พอไม่มีคาว่าพอมันมีแต่อยากเพราะมันไม่เห็นไม่รู้จักการเกิดดับการเกิดดับของตาการเกิดดับของรูปการเกิดดับของจักูวิญญาณการเกิดดับของปัจจัย การเกิดดับของเวทนามันไม่รู้จักการเกิดดับของตัณหายิ่งไม่รู้จักใหญ่ก็ไปก็เลยเป็นธาตเป็นธาตอะไรเป็นธาตุตัณหาก็เป็นธาตุตัณหากดยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นอุปาทานก็ยึดมั่นถือมั่นทีหนึ่งมีกันทีหนึ่งมีกานทีหนึ่งก็ครอดทีหนึ่งมีกันทีหนึ่งก็ครอดทีหนึ่ง ไม่ใจทีหนึ่งจริงจะคลอดงั้นนี่เดี๋ยวก็ยึดมั่นถือมั่นทีหนึ่งอุปทานแล้วก็พบทีหนึ่งพอเป็นพบก็มีพันขึ้นมาพอมีพันขึ้นมาก็จ่าตีปีทุกข์ครอดครอดออกไปพอครอดออกไปเป็นยังไงทีนี้เป็นทุกข์จ่าตีปีทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ก็เกิดความรู้สึกว่าตัวกูนั่นแหละเป็นทุกข์เพราะว่านี่ตัวกูจ่าตีปีทุกข์ เกิดความรู้สึกว่าตัวกูขึ้นมาจะราบิทุกันกูแก่มาเรานำปิตุกันกูตายนี่กูบมดก็เลยเป็นลงทุกหมดเกิดทางตาก็ไปลงทุกเกิดทางหูก็ไปลงทุกเกิดทางจมูกก็ไปลงทุกเกิดทางกายก็ไปลงทุกเกิดทางใจก็ไปลงทุกอ้าวทุกกันอยู่นั้นไม่ต้องทำอะไรกันเกิดมาชาติหนึ่งมีแต่ทุกอย่างเดียวทุกอย่างเดียวเมื่อก่อน ยากจนลําบาขยันออกขยันขึ้นมาออมีเงินมีทองเพิ่มขึ้นเเอมื่ก่อนก็มีทุกเนาะแต่พอมีเงินมีทองทุกมันกบเพิ่มเพราะความยึดมั่นถือมันมันก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเอ เ, เพง่็เลยมีความทุกข์ทีนี้ยิ่งมีมากก็มีทุกมากเพราะยึดมั่นเถือมั่นมากคนจนจะยังไง นอนหลับคราะคราะคราะคนรวยนอนไม่หลับเอามือเกยหน้าปากว อ, อย่างนั้นเนอนไม่หลับนอนไม่หลับนอนยังไงก็ไม่หลับทีนี้ในฐานะที่รวยไปปรึกษากับหมอคนหมอทํำยังไงเนี่ยฉันนอนไม่หลับเลยคนหมอว่าอย่างไงถ้าคนหมอก็ไม่รู้ทำมากเหมือนกันเพราไม่ได้ปฏิบัติเอา้ายาย เอายานอนหลับไปไปกินยานอนหลับอีนเม็ดหนึ่งหลับพอสองวันสามวันสี่วันไม่อย küçük küçük ู่แล้วเม็ดหนึ่งสองเม็ดสเม็ดสี่เม็ดเริมเลยต่อไปไม่หลับแล้วนี่เบลือเเบลอเห็นไหมนี่เห็นไหเบลือนะต่อไปก็เบลือนะนี่หมอก็มีหน้าที่อย่างนั้นแต <tr> ่ยานอนหลับเป็นพิษ มันเป็นพิษมากเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่กินจะได้มันก็ดีแหละยานอนหลับทาไมกรื้มทำไมกรื้มทีนี้พอต่อไปเป็นอะไรพอนอนไม่หลับก็คิดมากคิดมากเป็นอะไรโรคประสาทจะมาเยี่ยมอะไรทีนี้ต่อไปโรคประสาทมันจะมาเยี่ยมพอโรคประสาทมันแก่ตัวแก้ตัวแก้ตัวแก่ตัวเป็นอะไรต่อไปโรคจิต โรคจิตหลอนทีนี้ปิดประตูได้ยังน่ะโรนข้าวแล้วน้นมาห่าอยู่โน่นเนี่ยนมันเริ่มแล้วเริ่มเป็นประสาทแล้วโรคจิตแล้วทีนี้เป็นโรคจิตแล้วนี่คือทางมาแต่งโรคไปไข่เจ็บก็คือมาจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ทําให้เป็นทุกทุกครั้งการเกิดทุกคราวเป็นทุกทุกที การเกิดทุกรัมเป็นทุกรัาไปมันก็เกิดมาจากโน้เกิดมาจากจิตที่เราข้าไปยึดถือว ja ่าจิตเป็นตัวกอนั่นแหละเรียกว่าเกิดเกิดนั่นเรียกว่าเกิดเอาทีนี้เป็นยังไงเกิดทีหนึ่งก็ตายทีหนึ่งเกิดทีหนึ่งก็ตายทีหนึ่งเหมือนแต่ว่าตายทีหนึ่งกัเเกิดทีหนึ่งก็ทุกทีหนึ่งก็คือตายทีหนึ่งนั่นแหละ ทุกทีนึ่ก็ตายทีหนึ่งทุกทีหนึ่ก็ตายทีหนึ่งเกิดเท่าไรก็ตายเท่านะั้นตายเท่านั้นนี่เพราะอำนาจแห่งคนะวามทุกข์ที่เราไม่รู้จักการปฏิบัติตามมรรคอนี้ทำยังไงเราจะป้องกันยังไงการป้องกันต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แฝงสมาธิความเห็นอันถูกต้อง เห็นอริยสัจสี่เห็นกันหน้าเห็นปฏิจจสมุปบาทนี่ที่พูดมานี่ปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าเรียกว่าควายเกิดทุกข์ควายเกิดทุกข์อันี่ปฏิจจสมุปบาทกวายเกิดทุกข์นี่จะแจงรายละเอียดอีกหน่อยว่าอวิชชาเปรียบเหมือนคนตาบอดมันบอดตาไม่บอดเฉยเฉยอูหัวด้วย ตอดตั้งหูห่วงนี่คืออวิชชาเปรียบเหมือนคนตาบอดเหมือนคนหูหนวกทีนี้ในภาพปฏิจจสมุปบาทเขาจากตามเป็นภาพคนแก่คนแก่นั้นก็เด็กทารกมันดูดูไปไหนดีเนี่ยไอเด็กทาโรคก็ไม่รู้ทางมันรู้ทางยังไงดางอริยมรรคเปโอะแปดรู้เด็กตารกขนาดแก้วงงอกได้ก็ยังไม่จําเลยยังไม่จํา จะไม่จําอริยามรรคม่องแผ่แล้วเด็กทารกนี่มันจะจาได้อย่างไรนั่นเปรียบกับอาวิชชาอาวิชชาเปรียบเหมือนคนตาบอดเด็กดูเด็กอารกณ์ดูนั่นคืออวิชชาอาวิชชาคือจิตงโง่งโง่เพราะอะไรงโงร่เพราะไม่รู้อริยสัจสีแก้อย่างไรทีนี้ก็แก่โดยการปฏิบัติให้จิตมีสัมมาทิฏฐิเอง ถ้ามีสัมมาทิฏฐิเห็นอริยสัจสีเจนอะไรมันเห็นอิยสัจสีเมื่อเจนเห็นอริยสัจสี่ก็เจตภายในเรานี่กันยังไงเรามีสามตานะเราเนี่ยทุกคนมีสามตาตาเนื้อสองตาปัญญาเน่งก็คือตาจิต่และตาปัญญาตาปัญญาเน่งแต่ว่าตาปัญญาไม่ยอมลืมเลย มีแต่ยึดมั่นถือมั่นคอยึดมั่นถือมั่นก็มืดไปเรื่อยมืดไปเรื่อยมืดไปเรื่อยเดินมืดมืดเพราะว่าไม่มีปัญญาแต่นั้นเราต้องปฏิบัติตามอริยมรมีองค์แปข้อที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้องเห็นอริยสัจสี่เพราะปัญญาเห็นเห็นกันห้าเพราะปัญญาเห็น เห็นปฏิจจสมุปบาทเพราะปัญญาที่เต็มที่แล้วเห็นปฏิจจสมุปฏิจจสมุปบาทเห็นอริยสัจทีอะไรอริยสัจทีทุกจมูกไทยนิโรธมจำกันได้ทุกคนเลยมีแต่จำไม่เข้าใจปฏิบัติไม่ถูกต้องเห็นขันห้าขันาก็เห็นรูปนามเห็นรูปนามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นรูปแต่ว่ารูปนี้คงที่ไม่เปลี่ยนแดงก็ไปยึดมั่นถือมั่นรูปเวทนาก็ไม่เปลี่ยนแปลงก็ไปยึดมันน่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาถก็ไปยึดมั่นถือมั่นทางนั้นนี่เรียกว่ า, ข, า, ข, า, ข, า, ข, าขันหา้าอันหน้าก็ไม่รู้จักอริยสัจสี่ก็ไม่รู้จักปจิจจระมุดประบาทยิ่งมืดใหญ่เลยมืดใหญ่เลยเห็นไหม นี่มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติก็จะทําให้เกิดปัญญาจำมาทิตทิ่จำมาถังกับโปมีความดํารีในการออกจากตามเมื่อดํารีออกจากตามจริงๆไม่เอาแล้วเรื่องสามีเรื่องภ ร, รรยาเลิกที่เกียจป้าแล้วพอแล้วป้ามาพอแล้วบ อ, อกตัวเองมาอย่างนั้นเอาทีนี้ ถ้ามันยังมีความต้องการอยู่อีกแต่ว่าก็ปฏิบัติอย่าไปคิดว่าถ้าปฏิบัติทำเลยมีสามีไม่ได้มีภรรยาไม่ได้อโอ้ก็ให้เวลา เ, เยอะแยะเลยเพียงแต่ว่าเป็นพระโสดาบันแท่นั้นพระโสดาบันละอะไรสัคยะนิตีความเห็นว่าตัวกูที่มันหยาบหยาสัคยะสัายะกันคือตัวกูเห็นตัวกูหยาบๆยา แกนตัวกูประกอบโดยธาตุที่มีดินมีน้ำมีไฟมีลมที่มันไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อยมันไม่ใช่ตัวตนและไม่กล่าวไปยึดมั่นถือมันมั่นนี่จักรยาิทีวิจิจิชาและความลังเลใจโอ้ไม่มันจะไปเชื่อใครไม่ลังเลใจอย่างไงพระองค์นั้นมาเทศดีหนึ่งพระองค์นี่นมาบรรยายทีหนึ่งไม่รู้จะเชื่อใครแล้วเราแย่แล้วแย่แล้ว มีมรดระทันสามรูปองนั้นก็รูปไปเรื่องหนึ่งโอ้ยองนี้ก็พูดไปีเรื่องหนึ่งโอ้ยรู้จะเชื่อใครบอกว่าไม่เอาเนี้ยต่อไปที่เกียดพูดไอ้สามรูปสามรูปมาหลายเวทีแล้วไอ้สามรูปต่อไปใครบนหรวกพูหนึ่งเท่านั้นสองไม่เอาจามไม่เอาไม่เอาเน้ยที่เกียดแล้วเบื่อแล้วนี่เรียกว่าวิกิกิจฉาเหมือนกับว่า เอาพระมาชกมวยอะไรจิ้งแชมกันอย่างนั้นโอ้จะได้ใครตีเนี่ยเราก็ไม่เอาเลยแขวนนวมแล้วต่อไปเราก็แขวนนวมแล้วหนึ่งดานั้นชกปรมาณชกโชอย่างเนี้ชกโชไปเลยอ่าโชไปเลยนี่ต้องเอาอย่างนั้นต้องเล่นอย่างนั้นในกรุงเทพก็ไม่เอาต่อไปสองสามนี่ก็ไม่เอาแล้วนี่มอนหลวงเขอาไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่โยกก็เกิดวิจิกิจสา ไม่ได้ทันไปตรีตรองเลยไม่รู้จะเชื่อใครไม่รู้จะเชื่อใครเชื่อไม่ลงตรงนั้นก็พูดเก่งอรอ น, นี้ก็พูดดีแต่ถ้าก็ดีที่ท่านนั่นแหละจะได้ที่เราได้ยังไง เ, เราไม่ได้ปฏิบัติฉะนั้นผู้ที่ได้เป็นพระโสดาบันหนึ่งหนักแน่นในพระรัตนตรยัยหนักแน่นในพระพุทธเจ้าหนักแน่นในพระธรรม หนักแน่ในพระอรลยสอไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีคำว่าเปลี่ยนแปลงเด็ดขาดนี่ก็ <s> เ, เรียกว่าหนักแน่หนักแน่ก็ เ, เกิดฟ้าป่าเปลี้ยงกันมาพุทธังธรรมะเห็นไหมนั่นคือเอาภาวนาอยู่ในใจเอาภาวนาอยู่ในในจไปตกใจกันมาพุทธังธรรมังมพุทธังธรรมังมนี่ก็ เ, เปล่งออกมาจากนั้นวาจาของเขา เขาภาวนาอยู <premises. S 2> ่ในใจเขาอยู่กับประพุทธเขาอยู่กับประธรรมเขาอยู่กับพระอริยสองประพุทธประธรรมประสงอ์เรามีองค์หนึ่งก็มีทั้งสามนั่นแหละทั้งรอดทั้งสามนั้นมีหัวใจเดียวกันคือความสงบเย็นนี่มีหัวใจเดียวกันฉะนั้นมีความหนักแน่นในพระพุทธมีความหนักแน่นในพระธรรมมีความหนักแน่นในประสง์ยังไม่พอนี่เรียกว่าแดง ลาจักรยติทีสอวิอิกิจฉาไม่ลังเลไม่ลังเลใจโอ๊ยองโน้นก็บอกว่าให้ภาวานาว่าพุทโธองนี้ก็กว่าไม่ใจกูโอ้จะไปเอาใครอไม่รู้จะไปเอาใครเห็นไหมทีนี้ก็ตามอย่างไงทีนึงก็โยมทําไปที่ทํำยังไงพุทโธก็พุทโธ น, นงงะพุทโธ อ, อยู่ที่ไหนพุทโธได้จิตสงบขึ้นมา ขอจิตสงบแลนะจิตนั้นยกขึ้นรู้วิปัสนาก็ะจะเห็นแจ้งพุทธโธโก็เกิดทีนี้ยังไม่รู้จักพุทธโธจะเกิดขึ้นมาอย่างไรทีนี้ถ้าภาวานาะเอาไม่ใฉยกูไม่ใช่กูไม่ใฉยกูเอาไม่ใฉยกูเออมันไม่ใฉ่กูจริงๆริเวยดูในกระจกแกก็ไม่ใฉ่กูเจ็บก็ไม่ใฉ่กูตายก็ไม่ใฉยกูนี่มันไม่เฉยกูนี่มันมีแต่กระดูกที่นั่งกันอยู่ที่ตรงนี้แหละพอเอาเนื้อออกไปหมด ไม่เห็นมันมีอะไรเลยแล้วเนื้อหนังต่อไปมันก็เหวยย่นลงไปอะพอเหวยวย่นลงไปก็แก่ลงแก่ลงแก่ลงแก่ลงแก่ลงเป็นตตายตายก็เอาไปเผามล้วมีอะไรทีเนี่ยได้กำไรบ้างไหมที่เกิดมานี่นี่แล้วก็คิดว่ากูถ้าเป็นกูมันต้องบังคับมันได้มึงไม่ต้องเกิดเออเกิดอะไรเกิดความรู้สึกขึ้นมาแต่นี้เป็นยังไง เรเกิดความรู้สึกกันหมาให้มีความรู้สึกใหม่ความรู้สึกที่ว่าไม่ใจกูนี่แหละจะไปดับความรู้สึกคําว่ากูกูนั่นแหลที่มันว่างจากตัวกูความรู้สึกที่ว่างจากตัวกูพอว่างจากตัวกูมันตัดหมดตัดสวิตที่ตรงนี้ ต, ต, ตัดสวิตต์พอตัดเราไม่ใจกูแก่เจ็บตายมันก็ไม่ใจกูหมดแต่ถ้ากู แก่ก็เป็นกูเจ็บก็เป็นกูได้ก็เป็นกูนั้นคือเอาจิตมาเป็นกูแต่ว่าไม่ใช่กูต้ ag, อาไม่ใช่กูจิตว่างจิตว่างจิตว่างจากตัวกูพอจิตว่างจากตัวกูแก่ก็ไม่ใช่กูเจ็บก็ไม่ใช่กูตายก็ไม่ใช่กูนี่คือจิตว่างจิตว่างจากตัวกูเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพร ะ, ะอริยบุคคลชั้นต้นหนึ่ง และสัจญาติทีความเห็นว่าตัวกูอย่างน้อยๆอ อ, ออกไปเสียวิจิจฉาเลิกความลังเลใจในพระพุทธในพระธรรมในพระอริยสงฆ์นี่หนักแน่นนี่อยนี้สาสีปรปดาปรามาเลิกเลิกเลิกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วขอครังขอให้ขอเอา เอาได้ก็ไปตั้งตัง่ออย่างงั้นแต่ว่าไม่เอาเอาพุทธังทำบางฉังกังดีกว่าเรื่องอะไรไปเอาหินไปเอาสายไปเอาดินไปเอาเหล็กมาเศษเศษเศษเศษแต่เสร็จแล้วคนนี่ไม่มีใครเศษไม่มีใครเศษคนกันเลยเดี๋ยวนี้มีแต่เศษจะเอาเงินกงินทังนั้นเลยไปเศษหินไปเศษดินไปเศษสายไปเศษเหล็กโยนี่เหรียญนี้สิบบาทนะ หลวงพ่อทวดนี่เพราะเอ่ยว่าหลวงพ่อทวดเนีศักดิ์สิทธิต่างนั้นเลยก็ศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่หลวงพ่อทวดน่นแหละแต่เราไม่ได้ปฏิบัติมันจะศักดิ์สิทธิ์ยังไงนี่เราต้องเอาธรรมะที่ท่านปฏิบตัติแล้วออกมาปฏิบตัตินั่นแหละจึงจะศักดิ์สิทธิ์เอาหลวงพ่อทวดมาแขวนในเต็มคอก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติเพระนั้นเราต้องปฏิบัติทีนี้การยึดมั่นถือมั่นนั่น นั่นเรียกว่าโง่ความโง่คือเอาไปยึดมั่นถือมั่นดังนั้นต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นสีรัปตาปรมามันก็จะหายไปอ๋ออยากจุดมนแปลเลยแต่มันเดือดแปลไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะรู้เสียเดี๋ยวมันจะรู้เสียอย่าแปลมันไม่จักจิตอ๋อนี่ถ้าแปลแล้วไม่จักจิตโน่นในประเทศทิเบตโน่น เงินเนั่งชวนชวนชวนชวนชวนพระนั่งชวนกันทั้งวันโน่นไปปลุกกดีอยู่บนยอดเขาโน่นไปนั่งชวนกันบอกรูปเจ็รูปเสร็จแล้วก็ทำตู้บอกว่าตามตู้ก็ออกพระใตรปิฎกใจก็ไปใสจก็ไปใสจก็ไปนั่งชวนชวนชวนชวนชวนนั่งชวนอยู่อย่างนั้นชวนอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนไม่แต่ชวดอีนี้ไอ้คนโง่โง่คนโง่โง่อีกคนโง่โง่เขมีไอ้กลมกลมอะไเหมือนตะเกียงนั้น เอามาแขวงแขวงแขวงแขวงก็บอกว่าแขวงทีห si นึ่งก็เท่ากับว่าอ่านพระไตมีดอกที่มื่นแปดแปดพันกรรมมาขันก็เลยโง่กันใหญ่ไม่ต้องทําอะไรกันเลยแขวงกันอยู่นั้นไอ้ไหนก็แขวงกันอยู่นั้นแขวงกันอยู่นั้นนี่เป็นอย่างไรประเทศที่เด็ดก็เลยจนจนจนมันไม่ทํามากินอะไรมีแต่แขวงกันอยู่นั้นนี่อาจนา ในประเทศทิเบตเป็นอย่างนั้นมีพระไตรปิฎกก็ไม่เอามาอ่านแล้วก็บูชาบูชากราบไหว้พระไตรปิฎกทีนี้ข อ, อ้อเราจะต้องสร้างใจดีทุกคนเกิดมาต้องสร้างใจดีใจดีก็คือความดีต้องปฏิบัติธรรม้าไปที่ความดีนี่ใจดีอะไรไปพบก้อนหินกันเอาก้อนหินก่าใหญ่ๆข้างๆลาง แล้วก็ก้อนเล็กๆ ก, ก็ตั้งขึ้นตั้งขึ้นตั้งขึ้นตั้งขึ้นโอเจอดีแล้วนั่นเป็นเจดีแล้วแม่ทําไมมันปัญญาอ่อนถึงขนาดนั้นก็ไม่รู้นี่ประเทศนั้นมันเลยไม่เจริญจีมันนอกหมดทีนี้ตอนนี้ไปสร้างโรงแรมยี่สิบชั้นสามสิบชั้นไปสร้างโรงแรมเสร็จ แ, แล้วข้ามรถยนต์ทางรถยนต์รุ่นไปถึง กูเขาใกล้ๆกูขอมาอไหไ่แล้วก็ไปโน่นแต่แล้วกทางรถคไยก็ไปโน่นสามวันสามคืนวิ่งมาจากโน่นในทางภาคเหนือของจีนโน่อมาเคียงข้างกันเลยรถคไยกับรถยนต์นี่นั่นะจีนเอาหมดแล้วเห็นไหมจีนเอาหมดแล้วเลยคนที่เบกทําอะไรเดี๋ยวนี้คนที่เบสก็ไปเป็นลูกน้องจีนเลยไปอยู่โรงแรมไปอยู่อะไรต่างๆเป็นลูกน้องจีนหมด อ้าวพอใครมีความร่ำรวยขึ้นมาแล้เรียนที่ไหนโรงเรียนไปเรียนที่จีนน่นแหละไปที่จีนน่ละนี่เห็ไหมม้นก็บอดแต่มันก็จบนะมันก็จบนะนี่นี่มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คือเป็นยังไงกับข้าวถึงยากพระรัตนตรยัยวันี้ไปที่ที่เบกไปทําไมไปอยากจะไปดูพระมมลาเรีปาพระเมลาเรปาคือใคร พระองค์หนึ่งพระองค์หนึ่งท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ก่อนที่ท่านจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเป็นครอบครัวที่ร่ํารวยมีแยกอะยยกอไรเขเรียกว่าจามรีมีจามรีเป็นโขงโขงโขงโขงโขงใหญ่ๆเป็นร้อยตัวเก็ดแล้วว่ามีนาข้าวนาข้าวก็รายร้อยล้านเพราะร่ำรวยแล้วอย่างนั้นรวยแล้ว แค่นี้ก็บ้านก็ใหญ่โตยากก็อิจฉารีอิจฉาทำยังไงก็เลยเล่นเล่นอะไรของครลังทีนี่เขาเล่นของครลังกันเรียกว่าลัทธิตันตราตรรายนี้เขากวดสวนหมดปวดหมดในฝนไอไอไอฝนอะไรไอฝนกรดมันตกตกตกตกตกลงมาเอ้าคนก็ตายไป คนก็ตายครับถิงก็เสียหายนี่เขาทําอย่างนั้นะทีนี้พระมีลาเลปัตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กอยู่เขาจำพ่อตัวเองตายเหลือแต่แม่เพเหลือแต่แม่เขาเองก็แค้นใจแค้นใจโอไปเรียนดีกว่าไปเรียนอะไรทีนี้ก็ไปเรียนนั่นที่ตันตราเนี่ยแหละก็ไปเรียนนัที่ตันตราจะว่าแบงของหนัก ก้อนหนิแบบก้โตโ ต, โตก็แ บ, บ่งได้ทั้งนั้นเลยแค่ว่ามีลิฟต์มีลิฟต์เปลี่ยนลิฟต์เปลี่ยนลิฟต์เปียนไอ้เสยยันสะอาดนั่นแหละไอ้มีลิฟต์ขึ้นมาทีนี้เอาต่อมาต่อมาต่อมาเป็นยังไงเปลีลิฟ์เอ๊ะเป็นว่านี้มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วอย่างนี้มันผิดทางแล้วเป็นทางวันนั้นก็ก็เลยไปขอบวชกับพระพระเนี่ยสายมหายาณ ก็ขอบวชเสรแล้วก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็กลับมาบ้านนี่กลับมาบ้านกลับมาบ้านก็ไม่กล้าลงไปบ้านอีกอยู่ที่เชิงเขาอยู่ที่ยอดเขาเห็นบ้านพอเห็นบ้านก็ถามถามคนที่เลี้ยงวัวเลี้ยงแกะเลี้ยงจำมะรีนั่นแหละถามว่าที่บ้านนั้นยังมีคนอยู่ไหมตอนนั้นก็บอกว่ามีอะไรตายหมดแล้วเหลือแต่ผู้หญิงคนเด็ก ลูกผู้ชายคนหนึ่งก็ตายหายสาบถูนไปไหนก็ไม่รู้ลูกผู้หญิงกนตอนนี้ก็ไม่เป็นฝั่งเป็นฝาเป็นอะไรเลยนี่นเพราะว่าก็ไม่รู้จักก็ไม่จักมิลาเลปะทีนี้มิลาเรปะตอนนี้ก็ทำตัวเป็นพระแล้วเป็นพระแล้วก็เป็นห่วงโยมแม่แล้วก็เป็ห่วงโยมแม่เอาเป็นห่วงโยมแม่พอตกกลางคืนก็ลงไปบ้าน ลงไปที่บ้านบ้านก็อะไรหลังบานก็รั่วหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนี่ได้โยมแม่ไปเสือชีวิตที่ไหนไปดูนี่ไปดีห้องโน้น้องนั้นไปดูห้องครัวอา้าวกระดูกแม่กองอยู่ที่ห้องครัวที่นี่ทำยังไงเอาไปถึงเอากระดูกแม่เอากระดูกแม่ม า, ามารวมกันรวมกันเสร็จแล้วทํำยังไงอตอนเช้าก็จัดการที่นี้จัดการ เอ า, าเอามาทำให้ละเอียดเอามาตำให้ละเอียดตำให้ละเอียดเสร็จก็เลยคลุกกับดินเหนียวแล้วก็ปั้นเป็นเจดีขึ้นม า, เ, าเป็นเจดีก็คือเป็นเครื่องหมายนนะทำเป็นเครื่องหมายว้นี่ยศแม่นีนอยู่ตรงนี้ไอ้นี่ท่านก็ไปอีกไปทางโน้นและภาคเหนือน้อ่าเหนือของทิเบตเนี่ยคือจะไปใกล้ๆวัดมงกรนั่นแหละไป ไอ้ท่านก็ไปอยู่ในถ้าไอ้อยากยุ่งกับใครไม่อยากฉนใจกับใครก็อยู่ในถ้ำอยู่ในถ้าแล้ท่านกินอะไรกินยอดผักโกดต้มแต่ยอดผักโกดจนเนื้อตัวเขียวไปหมดจะเป็นผักโกดอยู่แล้วนี่ทีนี้น้องสาวของท่านก็เจียวเชื่อหวาชื่อหว้าเชื่อหว้าจนไปพบก็ไปไปพบเป็นยังไงป้าก็ไม่นุ่มเห็นไหมป้าก็ไม่นุ่มน้องสาวก็ ร้องไห้ทีนี้ขอร้องขอร้องว่าให้นุ่งผ้าเธอท่านบอกว่าไม่ต้องงอหลอกลุงรังมันรุงรังเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเน่ยเทบมาเป็นปลอกหน่อยหนึ่งแล้วเอามาสวมข้าวเอาแกนั้นพอแล้วถ้ามีหม้อลูกเดียวต้มแต่ปักูดปากูดปากูดยันแต่ปากูอยู่อย่างนั้นท่านทรมานตายแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติอยู่อย่างนั้นท่านปฏิบัติจนท่าน เป็นพระอรหันนีเรื่องของพระอรหันก็อกูดกันทีหลังนจนท่านเป็นพระอรหันเป็นพระอรหันนี่ก็มีฤทธิ์มีฤทธิ์ ท, ทีนี้เป็นยังไงเมื่อท่านเป็นพระอรหันแล้วนะ่ะกันถึงความสงบจิตของท่านเป็นอันหนึ่องอันเดียวกันกับความสงบความสงบที่อยู่เหนือโลกอยู่เหนือจักรวาลแต่ว่าในโลกในจักรวาล น, นี้ก็มีความสงบที่เราทุกคนมีทางนั้นเลย มีความสงบทั้งนั้นเป็นทุนอยู่แต่คนไม่มีความสงบเลยคุณขับรถแต่ไม่มีสติไม่มีความสงบเล้เดี๋ยวก็โกรธกรามขึ้นมาแก่นั้นเองมว่าเอาตั้งใจแล้วก็มีความสงบอีพระเมราเลปะท่านขึ้นท่านก็วามเสียงของความสงบเป็นยังไงเวลามีพายุขึ้นมาท่านขึ้นไปบนต้นไม้พอขึ้นไปบนต้นไม้ท่านก็ป้องหูอย่างนี้ป้องหูอย่างนี้ ป้อหูความเสียงแห่งความสงบไอ้ที่หลวงพ่อพูดนี่หลวงพ่อพูดนี่พูดในกล้องไปจักรวาลก็มไม่ได้แก้ของสามวางตรงนี้เองแต่เสียงแห่งความสงบนั้นมันสงบตัวทุกๆจั ก, กรวาลเสียงแห่งความสงบนั้นดะนั้นสัญลักษณ์ของพระมิราเลปากคือป้องหูหลวงพ่อก็ไปจนถึงเหมือนกันไปไปกัน ไปข้าบน้ำข้ามทะเลขึ้นเครื่องบินจากนี่เราก็ไนหลายเที่ยวจากงานใหญ่ก็มาลงทวนนภูจากทวนนภูก็ไปลงที่จีนลงที่จีนจแล้วก็ไปจีนเบกดตั้งไปทั้งกลับแปดเที่ยวเราไม่เที่ยวเลยนั่งเครื่องบินกันเต็มเอื้อมเลยแต่ก็ไม่เสียใจก็ได้พบมานได้พบรูปปั้นของมิราเลปาอนี่เราก็ไปกัน ไปเป็นถึงก่อนล ง, ล, ลงเรือลงเรือไปที่พักไปพักที่โรงแรมจิตมาชั้นยี่สิบชั้นนั้นโรงแรมกีนเั่นแหละว i ไอพีทางนั้นไปกันอีนี่รถจะขึ้นไปแล้วก็เที่ยวที่ไหนโอ้ดูหวังดิอาระวังโกตาลาเป็นยางองโอโตาลาก็เลยไปไปม า, มาตาลายกว่าวันร้อนก็ร้อนโยงก็เป็นยังไงเป็น เป็นลมเป็นนั่งกันเป็นแถวเพราไปที่มันมันไม่มีอากาศอากาศมันมีน้อยแต่หลวงพ่ออยู่ได้เพอราะหลวงพ่ออยู่บนเขาอยู่แล้วแล้วก็ทําใจทําใจทำใจหลวงพ่อทำใจไม่เป็นไรนอกนั้นคนนั้นเป็นนั้นคนนี้เป็นนี้บางคนก็ถายบางคนก็เป็นอย่างนั้นเรียนหัวเนี่ยแต่ เ, เ, เรามีหมอไปด้วยมีหมอไปอคนหนึ่งหมอฟวั น, นทําอะไรไม่ได้เรา น, นี่เป็นใจ่หมอฝันอันนี้เป็นหมอวิจัยยาเขาสามารถก็ะจะพายาป้าอะไรไปแล้วเราก็ซื้อไอ้ออกซิเจนไปออกเนเป็นกระปองกับปองกับปองกอง็ไม่ไใช้หรอกออกซิเก็ไม่ได้ใช้เลยยองก็จัดาจาการเองเท่านั้นเนี่ยแกจะเรียกขึ้นไปบนพระราชวังโปตาลายจนตาลายเพราะว่ามันร้อนอื่ น, นอนเที่ยวแต่คนมันเป็นพันอันเลยไปกันเนี่ยคน ทีบางที่เบ็ดบังที่ไหนแต่ที่ไหนแรกไม่มีมีหลวพ่อองเดียวอันนั้นโดดๆเลยหลวงองเดียวไปที่เบ็ดกันอนี้เอาไปที่วัดโน้นวัดนี้เอาบอกเขาว่าไปที่วัดโนนวัดที่พระมีลางเลปากันโยนเขาก็ปขึ้นรถไปอีกขึ้นรถก็ไปลงเรือลงเรือก็ไปประมาณชั่วโมงหนึ่งขึ้นรถอีกอาขึ้นรถก็ไปวัดนั้น มีที่ิพิัอะไร ใ, ใโตมาราอะไรก็ไปเห็นพระมิลาเดปรู้เลยไป เ, เห็นพระมิลาเดปารู้เพราลักษณ์นองหูหงเสียงแห่งความสงบความเีย ง, ง, งะความบนั่นพระมิลาเดป า, าเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง น, นีเป็นพระรอรหันต์องค์นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรู้พระอรหันต์นี้เป็นยางไงเป็นยงไง เอาเวลาก็น่าจะพอแล้วนะเพราะคอมันบอกแล้วว่าเริ่มจะแสบแล้วตอนนี้ขอขอให้ทุกท่านตั้งใจวังในตอนเช้ามือในโอกาสต่อไป